แนะนำบทอัตตาริกบทอัตตาริกเป็นบทมักกียะมี 17 องค์การแก่นหลักของบทกล่าวถึงเรื่องการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอัลเลาะห์ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยย่อมสามารถที่ให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วได้ บทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าที่ประดับประดาด้วยดวงดาวที่ประกายแสงที่ปรากฏให้เห็นในเวลากลางคืนเพื่อส่องแสงให้ความสะดวกแก่มนุษย์ในการเดินทางและเพื่อชี้นําทางท่ามกลางความมืดทั้งทางบกและทางน้ําแก่มนุษย์โดยที่มนุษย์ทุกคนถูกมอบหมายให้มีผู้คุ้มกันกิจการของพวกเขาจะรับการระวังรักษาโดยมาลัยกาผู้ทรงคุณธรรม บทนี้ได้นําหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกที่จะให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับและเปิดม่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิเราะห์โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองใดๆบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงและได้ชี้แจงความจริงของอัลกุรอานนี้อีกทั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัสสะมา الطاريق وما ادراك ما الطارق نجم الثاقب خا سابان ด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่ปรากฏในเวลาค่ําคืนและอะไรเล่าจะทําให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลาค่ําคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสง كل نفس لما عليها حافظ ไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลําพัง เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามันตะลีนดูริลอินซานุมิมมคลิกดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรคลิกอมิมมาอินดาคิเขาถูกบังเกิดมาจากน้ําที่พุ่งออกมายะคูจุมินบัยนิสซุลบวัตตรายบมันออกมาจากกระดูกสันหลังของชาย และกระดูกหน้าอกของหญิงอินนะฮูอะลาเราจิฮีละกอดิรฺยะอ์มะตุบิละสซารอฟะมาละฮุมินกุวะตินวะลานาศิรแท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาฟื้นคืนชีพอีกวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ والسماء اذا ترجع وخوสาบานดิฉันฟ้าที่หลังน้ำฝน والارض ذات الصدع และแผ่นดินที่ปริออกให้เมล็ดพืชออกมา اننه لاقول فصل وما هو بالهزل แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระธรรมดาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ อัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระอินนะฮุมยาคีดูนะไคดาวะอากีดุไคดาถ้าจริงพวกเค้ากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ฟามะฮิลลิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรวิดาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเค้าระยะ 1